อย่างที่ที่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างที่เราเรียนมัชฌิมนิกายมูลปันณาจูลสีหนาสูตรบอกท่านเอาอะไรเป็นข้อมั่นใจของท่านก็ที่ข้อมั่นใจของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเลื่อมใสยอย่างไม่หวันหว่นไหวนในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสของข้าพเจ้าในสาวกทั้งหลายเนี่ยมีข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในศีลเป็นต้นและที่สําคัญอ่ะ บุคคลนั้นต้องเห็นอริยสัจก็คือที่สาคัญคือเขาเห็นอริยสัจวันเขาเห็นอริยสัจมีศรัทธาอันมั่นคงกับแบบที่เราสวดเมื่อกี้ส่วนผู้ใดแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะสรณะเป็นที่ไปในเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าสารณะของบุคคลนั้นแลกเกษมปลอดภยัยสารณะนั้นอุดมสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นอริยสัจ ท่านการเห็นพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นพื้นฐานที่สําคัญต้องเป็นไปเพื่อการรู้เห็นอริยสัจขอให้เราเนี่ยตั้งอัธยาศัยตั้งเจตนาตั้งเจตจํานงเพื่อให้เห็นอริยสัจซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสัยจจะทั้งหลายเนี่ยก็เปิดเผยหมดแล้วความจริงทั้งหลายชาติชารามรณะก็เปิดเผยให้เห็นหมดเยอะแล้วจะเห็นหรือไม่อยากเห็นหรือไม่เชื่อไหมว่าเห็นอริยสัจแล้วพ้นจากทุกจริงเป็นต้น อันนี้ต้องพยายามปรับทัศนคติปรับความรู้ปรับความเข้าใจตั้งเจตนารมณ์เอาให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่างานนี้ถ้าพลาดแล้วยาวจริงพลาดแล้วยาวแค่ไหนก็กว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละก็ได้ว่าพรอมาในตอนนี้กาลังว่าจะทำยังไงให้เรามันเข้าใจความจริงที่สุดเท่าที่จะเข้าใจได้ตั้งทัศนคติอย่างไรเนี่ยนะ ปรับทัศนคติอย่างไรเพราะว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะต้องศึกษาปัจจัยที่หลักๆในชีวิตอยู่สองปัจจัยด้วยกันอันหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมมะปัจจัยสองอุปนิสัยปัจจัยเรากำลังโดยกรรมมะปัจจัยเนี่ยเรากําลังทําให้ตัวเองได้รับผลอะไรต่อไปในอนาคตเราก็ต้องมองว่าตอนนี้เราคือชาวสวนที่กําลังเพาะเมล็ดพันธุ์อยู่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเพาะเนี่ยมันจะให้ผลออกมาเป็นอะไรใน อนาคตเนี่ยเขาเรียกว่าโดยกรร ม, มปัจจัยกําลังเพาะเหตุเพื่อให้มีผลอะไรอันนี้อันดับที่หนึ่งนะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนั่งคัดมเมล็ดนั่งกาเจริญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสวดมนต์อ่านพระไตรปิฎกทั้งเรียนทั้งสาธยายทั้งตึกทั้งโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่กับคําสอนเนี่ยเรากําลังเพา ะ, มะเมล็ดอันนี้ให้มันออกผลิดดอกออกผลมาเป็นอะไรอันนี้เขาเรียกว่าโดยกรร ม, มปัจจัยสอง เราต้องการสร้างอัธยาศัยอะไรต่อไปในอนาคตต่อไปเนี่ยนะชีวิตของเราต่อต่อไปเว้นจากปาณาติบาหรือเจตนาเพื่อการฆ่าอันไหนจะมากกว่ากันนะลองมาเช็คดูนะที่ที่เราศึกษาอยู่เนี่ยเราต้องคำนวณได้เลยว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอ่ะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังสร้างอัธยาศัยอะไรให้ตัวเองในอนาคต อนาคตของตัวเองหนึ่งโดยโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะหนึ่งเจตนาของเราัยเป็นไปเพื่อการฆ่ามีไหมเป็นไปได้ไหมที่เราจะฆ่าชาติเนี้ยตลอดชาติสองหลายๆชาติต่อไปข้างหน้าบอกบอกยังไงเราก็ไม่ฆ่าเอาอะไรมารับรองเพราะทุกอย่างมันต้องมีข้อประกันนะต้องมีหลักประกันนะถามเอาอะไรมาหลักประกันว่าเราจะเว้นจากการฆ่าตลอดไป ถึงเขาโดยที่สุดแม้เขามาฆ่าเราบอกว่าแม้มันถ้าเขามาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาก่อนสิถ้าอย่างงี้นะคุณกับโสดาบันห่างกันนักแลฟ้ากับหวนี่นนะเพราะแม้แต่ว่าความคิดที่จะให้มียังไม่มีเลยแบบนั้นเถอะความคิดที่จะเป็นโสดาบันยังไม่มีเลยเพราะโสดาบันเนี่ยมีไม่เจตนาแห่งการฆ่าเจตนาอ น, นั้นพระโสดาบันมีไหม ของเราถ้ามีเรื่องมารบกวนมีอันใดอันหนึ่งถูกกลั่นแกล้งโดยประการทั้งปวงเลยนะสมมติว่ามียุงอยู่ตัวหนึ่งมาบินว่อนอย่างนั้นแหละทั้งตาตอมตาก็าแล้วตอมหูก็แล้วพอปิดหน้าผากอพอเปิดตรงไหนมันก็กัดนะเปิดหน้าผากก็กัดหน้าผากแล้วมันตามอยู่งั้นแหละคิดจะฆ่าหรือว่าคิดจะทําไงกับมันไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคนอื่นเขาก็ส่งเสริมฆ่าเธอฆ่าเธอทำร้ายเธอ คือวิธีไล่สมมุติว่าถ้ามีวิธีเดียวเนี่ยเราจะทำยังไงอไนะเอาไว้เออก็บินต่อไปทะลุเอเอไปด้วยกันแล้กันนะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่รักมากอย่างเงี้ยนะอะถ้าหนึ่งเจตนาแห่งการฆ่ามีไห้สองเจตนาที่จะรักเนี่ยเรามีไหมบางคนนะไอ้ที่ไม่โกงเนี่ยเพราะห้าบาทสิบาทไม่ทำอยู่แล้วบางคนพ่อร้อยพ่อพันพอหมื่นพอแสนถ้าระดับแสนไม่ทำบางคนเนี่ยนะถ้าล้านอาจจะทำ บางคนเนี่ยถ้าสิบล้านเนี่ยอาจจะทำบางคนถ้าร้อยล้านอาจจะทำบางคนถ้าทำเสร็จแล้วให้แผ่นดินได้แผ่นดินทั้งแผ่นดินอาจจะทำเพราะตัวเองจะได้ลอยอยู่เหนือกฎหมายคนอื่นประทุษรายอะไรตัวเองไม่ได้ถ้าแผ่นดินทั้งแผ่นดินอาจจะทำก็ต้องดูว่าเจตนาที่จะไม่คดโกงเนี่ยนะเจตนาอันเนี้ยตัวนี้ของเราเนี่ยหนักแน่นแค่ไหนขาต่อไปกาเม ถ้ามีได้ช่องได้โอกาสเป็นต้นเนี่ยทําไมข้อต่อไปมูสาเราจะพูดความจริงไหมด้วยเหตุผลใดเราก็จะขอพูดแต่ความจริงไหมหรือโดยที่สุดอยากหัวเราะพูดมูสาเพื่อหัวเราะเล่นถ้าต้องการแค่มูสาเพื่อจะให้คนอื่นคนําแม้โจกเก่งมากอนะเละเลยจริงๆละชาติหน้าว่างั้นเถอะกลายเป็นโจกเองในอนาคตว่างั้นเถอะเละแน่ นะพ่อพูดเพราะอยากให้คนอื่นเขาเป็นโจกในที่สุดตัวเองก็เป็นโจกอนาคตอะ่ะพราะะฉนั้นถูกเขาเอาไปทําโจกแน่พร อ, อไรเพราะเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะแล้วเจตนาที่จะดื่มสุราเนี่มีไหมก็ถามดูเจตนาแล้วเจตนาในกรรมบทแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะฉนเจตนาเนี่ยนะเรามาวัดใจเอาเราเรากำลังสร้างอุปนิสัยอะไรให้แก่ตัวเองใน อนาคตเนี่ยนะมันถ้าถ้าเป็นคนที่ศึกษาธรรมะแล้วหวังความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีผลไม่มีผิดไม่มีพลาดต้องคำนวณตัวเองในอนาคตว่าภายในสามวันเจ็ดวันสองปีสามปีข้างหน้าแนวความคิดของเรานี่จะเติบโตไปอย่างไร ที่จริงถ้าถ้าพูดถึงบอกอ้แล้วคนมันจะคํานวณได้ขนาดนี้เลยหรือแต่จริ ง, รงๆเชื่อไหมทางโลกเขาคํานวณออกมาเป็นเรื่องปกติหมดล้วเรื่องค้าเรื่องขายเรื่อ ง, องทุกอย่างนะเขาคํานวณออกมาหมดเขาคาดการ์ออกมาหมดแต่คนที่ศึกษาธรรมะนี่คาดการ์บ้างไว้ว่าปีหน้าเราจะคิดอะไรแล้วความคิดเราจะเติบโต ว, ว่าอย่างไรถ้าบอกโอ้อะไรก็ไม่แน่นอนสักอย่างแสดงว่าโลเลที่สุดกําลังโลเลว่าไม่มีหลักการอะไรเป็นของตัวเองแนมะ้แต่นิดเดียว เนี่ยนะไม่มีความมั่นใจอะไรเลยถ้าไม่รู้เนี่ยนะหรือบางคนนะเขามาเพิ่งเจอมาอันนั้นก็โอหันตตากรก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราจะไปอะไรมันบอก น, นั่นให้มาได้อย่างนี้สิเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านเราจะไปสนใจมันทาไมใช่ไหมอดีตมันก็หมดไปแล้วในะอดีตพูใช่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบอกโอ๊ยเขมาทำเวรทากรรมอะไรมาเนาะเนี่ยนะ ม, นมาเจออย่างนี้ มันไอคําว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะเขาบอกว่าคําสอนที่ผิดนํามาซึ่งผู้จริญจริงๆสูตรที่ตั้งไว้ผิดโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะนํามาซึ่งการเรียนที่ผิดการเข้าใจที่ผิดการปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อผิดๆแม้แต่คําสอนว่าไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ต ว, ไ, มตวไม่ใช่ตนก็เหมือนกันเขาพูดระดับไหนมันต้องฟังแล้วทําความเข้าใจให้ดีๆเอาพ่อก็ไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่แม่เพราะอนัตตามหมดเลยแล้วก็ดื่มเหล้าต่อไปอย่างไงนะ อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือความเสียหายมต้องพยายามศึกษาให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนแต่ละอย่างมาใช่อย่างไรไม่อย่างนั้นแทนที่จะเป็นยายารักษาโรคเนี่ยนะยาเพื่อความพ้นทุกข์กลายเป็นยากลายเป็นคำสอนที่เพิ่มพูนลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยนะมันระวังให้ข้อข้อควรระวังให้มากๆเลยในการศึกษาคำสอนสิ่งใดที่มีคุณมหาศาลสิ่งนั้นนะ่ะถ้าใช้ผิดก็มีโทษ มหาศาลทุกอย่างนะที่ที่ให้คุณมหาศาลถ้าใช้สิ่งนั้นผิดพลาดเมื่อไหร่ก็มีโทษมหาศาลแม้กระทั่งเข้าของเครื่องใช้ในโลกนี้ใช่โดยที่สุดรถยนต์เนี่ยนะที่ใช้ดีๆมีราคาแพงเงินถ้าใช้ถูกก็มีคุณมหาศาลถ้าใช้ผิดก็ถูกเผาอยู่ตรงนั้นแหละในรถคันนั้นแหละเครื่องบินก็เหมือนกันถ้าใช้ถูกก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าผิดก็ถูกเผาอยู่นั้นแหละละหมดนนนะ ก็อะไรก็ตามแม้แต่คําสอนที่นําออกจากทุกขเนี่ยพยายามต้องค่อยๆระวังกันนะค่อยๆมีความระมัดระวังพระองค์จึงเน้นย้ำํำว่าเน้นย้ําถึงความไม่ประมาทถ้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะเราตั้งไว้เลยว่าใจของเราเนี่จะเจริญด้วยอะไรเจริญด้วยศรัทธาไหมเจริญด้วยศีลเจริญด้วยนิริโอตปะสุตตจาระฆะปัญญาเจริญด้วยอินทรียห้าไหมต่อไปใจของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะพยายามกําหนดทิศทางของตัวเองให้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 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคุณธรรมเหล่านี้คือสติปัญญานสัมมปาปัญญาอิทธิบาทอินท ร, ะระียพละโพชงองค์มัชเนี่ยเหมือนกระแสแม่น้ําสายใหญ่กระแสแม่น้ําสายใหญ่จริงๆในโลกเนี่ยไหลไปไหนไหลไปสู่ทะเลชันใดสติปัญญานสัมมปามมปาัญญาอิทธิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงและองค์มัชที่เป็นไปตามคําสอนไหลไปสู่พระนิพพานอย่างเดียว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 มีทั้งสัมมาโลกนี้มีทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิโลกนี้มีทั้งมิจฉาสังกปะและสัมม า, มมาสังกป ะ, ะ, ะ, ะโลกนี้มีทั้งมิจฉาวาจาและสัมมาวาจามีทั้งมิจฉามรักและสัมมามรักมิจฉามรักเนี่ยเป็นมิจฉัตานิยตาธรรมะเป็นความผิดพลาดที่แน่อนอนยากที่จะแก้ไขเรียกว่ามิจฉัตานิยตาธรรมะถ้ามรักถูกเรียกว่าสมมตานิยตาธรรมะ อันนี้ถูกต้องแน่นอนไม่มีผิดอีกต่อไปและแก้ไขไม่ได้ความถูกต้องอริยมรรคนี่แก้ไขไม่ได้ส่วนที่เหลืออันนียตาธรรมะไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มั่นคงยั่งยืนและก็แน่นอนล้วก็ไหลไปสู่ความแน่นอนได้ไหมอย่างคนที่ฟังธรรมสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเพื่อให้เกิดความแน่นอน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 เข้าไปทุกขนทุกแห่งเลยนะเกี่ยวกับเรื่องปานอาธิบตัติบอกดูจากอะไรเช่นพวกเกมกดทั้งหลายนีย่ก็คือฝึกฆ่าเล่นๆไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมันก็คือการฝึกฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าในที่สุดเนี่ยนะโลกก็จะเจริญด้วยมหาสงครามนี่นะก็เล่กลงโกงทั้งหลายนีย่ก็งัดกรรมาใช้สารพัดชนิดเครื่องมือสื่อให้ไล้ไปสู่การมีสุมิชฌารย์ก็มาสารพัดอย่างก็แปลว่าเปิดประตูนรกช่วยๆกันเปิดคละสิบบานร้อยบาลพันบา น, บา น, บาน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 ยุยงเขาว่ามุสาว่าก็เต็มที่พูดสอเสียดก็เต็มที่พูดใจหยาบก็สุดยอดแล้วเนี่ยนะหมดแล้วไม่มีอะไรมากอันนี้เพอ้อเจอกันชนิดว่าสุดๆอภิชากันอย่างจริงๆรจังๆพยาบาทจองเวรกันชนิดเรียกว่าเป็นเขาว่าสาสืบทอดกันมาเลยแหละเนี่ยนะแล้วก็มิจฉาทิฐิที่ปฏิเสธการฆ่าว่าการฆ่าไม่มีผล การลักโกงไม่มีผลการผิดการเมย์ไม่มีผลปฏิเสธแม้กระทั่งผลแห่งกายกรรมวิมจีกรรมและมนโนกรรมทุกอย่างเกิดลอยๆทำเหล่านี้ทำแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั้นอกุศลกรรมบทเนี่ยแพร่หลายมาก